โรทัสจั จ, จะความจริงคือความดับทุกข์พระพุทธองค์ตรัสถึงความดับทุกข์ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสัจ ท, ที่เป็นความดับทุกข์นี้คือความดับสนิทแห่งตัณหาทั้งหมดการสละการปล่อยวางและการไม่พัวพันกับตัณหานั้นการเจริญวิปัสนาเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณ มรรคยานป้องกันไม่ให้ตันหามีโอกาสเกิดขึ้นมาได้เปรียบเหมือนความมืดย่อมถูกแสงสว่างขจัดได้ฉันใดตันหาย่อมถูกขจัดได้ด้วยอรหัตมรรคยานฉันนั้นเมื่อตันหาดับรูปนามที่ก่อให้เกิดพบใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ความดับไปของตันหาทั้งหมดมีผลคือความดับทุกข์ จัดเป็นนิโรธสัตย์โดยอุ ก, กัตทนายคือนายที่กล่าวไว้โดยอุกฤษความดับตัญหาด้วยอรหัตตมรคนี้เป็นการดับไปโดยสิ้นเชิองอย่างสูงสุดทั้งการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหายังมีการดับในระดับรองๆ อ, องลงมาอีกคือ อาณาคามิมักดับการมตัญหาโดยสิ้นเชิงสัคาคามิมักดับการมตัญหาอย่างหยาบและโสดาปฏิมักดับการมตัญหาที่ส่งผลให้เกิดในอบายภูมิโลกุตระมักสามอย่างหลังนี้สามารถดับตัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้นความดับตัญหาด้วยมักเหล่านี้จัดเป็นนิโรธศสตร์โดยโอมักกนัย คือนายที่กล่าวไว้เป็นอย่างต่ํานอกจากนี้เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนด้วยวิปัสนาญาณตัญหาย่อมไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจึงเป็นการดับตัญหาได้ชั่วคราวที่เรียกว่าตทังคนิโรธคือการดับตัญหาเพียงบางส่วนด้วยวิปัสนาญาณ ดังนั้นในทุกขณะที่เจริญวิปัสนาผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้แจ้งในนิโรทัสัตด้วยการดับตัณหาในขณะนั้นในหมวดสมุทัยสัตที่กล่าวมาแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงตัณหาเกิดขึ้นในใจและดำรงอยู่ในรูปนามที่น่ายินดีพอใจมีทวานหกอารมณ์หกวิญญาณหกเป็นต้น ต่อมาในหมวดนิโรธสัต์นี้ก็ทรงแสดงว่าตัณหาดังกล่าวถูกละได้และดับที่รูปนามเหล่านั้นกล่าวคือเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมยังเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงวิปัสสนาย่อมสามารถละตัณหาได้ในขณะนั้นโดยปราศจากความพอใจในรูปนามที่กำลังประสบอยู่ เริ่มจากทวารอันเป็นที่ปรากฏของอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบทวารวิญญาณที่รับรู้ทางทวารทั้งหสัมผัสที่เป็นการกระทบกับอายตนาภายในและภายนอกเวทนาอันเป็นผลจากการสัมผัสสัญญาที่จําได้หมายรู้และสัญญาเจตนาอันเป็นการกระทําโดยเจตนาหลังจากนั้นจึงเกิดตัณหา คือความอยากในสิ่งนั้นๆแล้วเกิดวิตกคือเริ่มต้นของความคิดสิ่งที่ตนชอบใจและตามมาด้วยวิจาร์คือการวนเวียนคิดถึงสิ่งนั้นๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอุบัติการของตัณหาที่พอใจในทวารและอารมณ์เป็นต้นย่อมถูกกำจัดได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานจนกระทั่งเกิดวิปัสนาที่ละตัณหาได้บางส่วน เป็นทตังคนิโรธและย่อมถูกกำจัดได้ด้วยมักคยานตามลำดับความหยาบและความละเอียดในที่สุดย่อมถูกกำจัดด้วยอรหัตมัรคยานเป็นสมุทเฉทนิโรธดังข้อความในมหาสติปัฐานสูตรว่าสภาพใดน่ายินดีพอใจในโลกในวงเล็บแห่งรูปนามสภาพนั้นคือที่ ซึ่งตัณหาถูกละได้และดับอยู่ข้อความสภาพใดน่ายินดีพอใจหมายถึงทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเป็นที่กระทบของอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมและจิตรู้อารมณ์อันได้แก่จะขูวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้น ลายละเอียดในเรื่องนี้ได้กล่าวไว้ในมหาสติปัฐานสูตรอันหนึ่งความหมายว่าการสละการปล่อยวางและการไม่พัวพันตัณหานั้นมีความหมายเหมือนกับความดับที่เรียกว่านิโรธนั่นแหละพระพุทธองค์ตรัสไว้เพื่อแสดงคำฟ้องที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นตามภาษาท้องถิ่นของตน ความดับของตัณหามีได้อย่างไรเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกำหนดรู้สภาวะเห็นเป็นต้นที่ปรากฏทางทวารต่างๆในแต่ละขณะและได้รู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนในสภาวะธรรมเหล่านั้นเขาจะไม่หลงผิดไปว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นของเที่ยงเป็นสุขและมีตัวตนย่อมหลุดพ้นจากอวิชชาที่หลงผิดได้ชั่วขณะ อีกทั้งความเพลิดเพลินในอารมณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นในสภาวะธรรมที่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงนี้คือข้อขจัดตัณหาได้ชั่วขณะเมื่อไม่มีตัณหาและอุปทานเจตนาที่จะทำกรรมให้เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสและเวทนาที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากประกอบกรรม ก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยกระบวนการอย่างนี้เป็นการดับชั่วคราวของตัณหาในวงเล็บตัทางฆานิโรธเมื่อวิปัสสนาญาณพัฒนามากขึ้นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้แจ้งพระนิพพานด้วยโสดาปติมัคคยานเขาจะขจัดการมตัญหาที่ส่งผลให้เกิดในอบายภูมิทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในอบายภูมิ และทุกข์ที่เกิดจากการเกิดมากกว่าเจ็ดชาติในกามสุขติภูมิในวงเล็บมนุษยยโลกและเทวโลกอันหนึ่งโสดาปฏิมัิและโสดาปฏิผลเหล่านี้รับเอาความดับของสังหารทั้งหมดเป็นอารมณ์ไม่เฉพาะความดับของกามตัณหาที่ส่งผลให้เกิดในอบายภูมิเท่านั้นสกตาคามิมัก ย่อมสามารถดับกรรมตัณหาอย่างยาบและทุกข์จากการเกิดมากกว่าสองชาติในการสุกติภูมิอนาคามิมกักดับตัณหาอย่างละเอียดและทุกจากการเกิดมากกว่า1ชาติในรูปภูมิหรืออรูปภูมิส่วนอรหัตตมักดับตัณหาและทุก์ทั้งมวลความเป็นอิสระจากความทุกข์อย่างแท้จริง จะเกิดได้ต่อเมื่อตัญหาได้ถูกกำจัดให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นการหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ด้วยวิธีอื่นๆเป็นเพียงการบรรเทาความทุกข์ได้ชั่วขณะไม่อาจทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนอิริยาบทเป็นต้นว่าการเหยียดแขนขาเพื่อให้หายปวดเมื่อย อาจทำให้รู้สึกสบายอยู่ชั่วขณะแต่ถ้าหากเหยียดอยู่ น, น, นานๆก็จะเกิดความเมื่อยจากการเหยียดอีในทํานองเดียวกันนี้การยืนหรือการเดินเพื่อจะแก้ความปวดเมื่อยที่เกิดจากการนั่งอยู่ น, น, นานๆก็จะทำให้เมื่อยลา้าหากยืนหรือเดินโดยไม่หยุดพักความหิวอาจระงับได้ด้วยการรับประทานอาหารแต่ก็อิ่มอยู่ได้ไม่กี่ยชั่วโมง ความหิวก็จะมารบกวนอีกโรคภัยไข้เจ็บอาจรักษาให้หายได้ด้วยยาแต่ก็มีโรคอื่นๆมาเบียดเบียนอีกคนส่วนใหญ่ปรารถนาจะมีชีวิตที่สุขสบายจึงขวนขวายทำงานจนประสบความสำเร็จมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตฐานะร่ำรวยแต่ก็อาจจะมีเหตุให้ต้องสูญเสียตำแหน่งและเงินทองไป บางคนนั้นก็มีชีวิตที่สุขสบายแต่เวลาใกล้าตายต้องได้รับความทุกข์จากโรคร้ายบางคนทําบุญไว้โดยการให้ทานหรือรักษาศีลอาจไปเกิดใหม่ในตระกูลร่ํารวยหรือเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่เมื่อผลบุญหมดลงก็จะต้องได้รับทุกข์จากบาปในอดีตที่ตามมาส่งผลแม้แต่ผู้ที่จเจริญสมถะ จนบรรลุรูปฌานหรืออรูปฌานจะได้ไปเสวยสุขในพรมในรูปภูมิหรืออรูปภูมิเป็นเวลานานแต่ในที่สุดก็ต้องเวียนมาเกิดอีกในภูมิที่ต่ำลงดังเช่นเรื่องของนางลูกสุกรในบทที่หดังนั้นราบใดที่ตันหายังไม่ถูกขจัดให้หมดสิ้นไป เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเกิดใหม่ได้เลยพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสตามสภาวะว่านิโรธสัตว์คือความดับของรูปนามแต่ตรัสถึงความดับของมูลเหตุว่าความดับสนิทของตัณหาคือนิโรธสัตว์พระพุทธดํารัสในพระสูตรนี้ว่าโยตัสสาเย ว, วะตัณหายะ อาศะวิราคณิโรโทความดับสนิทตัณหานั้นทั้งหมดเป็นต้นการตรัสถึงความดับของมูลเหตุดังกล่าวนี้สอดคล้องกับหลักปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอิทัปัจยตาซึ่งกล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันของสภาวธรรมต่างๆคือเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับ เป็นต้นดังข้อความในอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายอะไรคืออริยสัจที่เป็นความดับทุกข์คือเพราะอวิชชาดับไม่มีเหลือด้วยมักสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับรูปนามจึงดับเพราะรูปนามดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับ ผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับความแก่ความตายความเศร้าโศกความคล่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงดับ กองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมดับไปอย่างนี้นี้เรียกว่าอริยสัจ ท, ที่มีความดับทุกข์ตามข้อความข้างต้นนี้จะเห็นว่าอิทธปัจจยตาเป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเหมือนลูกโซ่ข้อสำคัญก็คือเมื่ออวิชชาดับผลที่ตามมาก็จะดับไปด้วยคำว่านิโรธ ในพระบาลีนั้นหมายเอาการดับไปของทุกข์เท่านั้นมิใช่หมายถึงสถานที่หรือสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าในคัมภีอัตถกถาและดีกาจะกล่าวถึงนิโรธว่าเป็นเหตุดับทุกข์หรือที่ดับทุกข์แต่ความจริงนิโรธหรือนิพพานเป็นสภาวะดับไปของรูปนามที่เป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งก่อให้เกิดทุกข์เท่านั้น คำอธิบายของคมพีอัตคถานั้นเป็นเพียงสำนวนทางภาษาเท่านั้นเองเพราะสภาวธรรมทุกอย่างต้องหมายถึงปรมัิต์โดยตรงคำอธิบายที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องนิโรธสัตย์โดยย่อส่วนผู้ที่สนใจรายละเอียดอื่นๆควรอ่านจากหนังสือนิพพานกถาที่ผู้บรรยายได้ประพันธ์ไว้ในบทต่อไป จะอธิบายเกี่ยวกับมรรคสัตว์ซึ่งเป็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์